เมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าได้รับความเพลิดเพลินในการกินอาหารค่ำกับมิสไอดาทาเบลนักเขียนอาวุโสชาวอาเมริกันในทางเขียนชีวประวัติของบุคคลเรืองนามเมื่อข้าพเจ้าบอกหล่อนว่าข้าพเจ้ากำลังเขียนหนังสือเล่มนี้หล่อนและข้าพเจ้าจึงสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านสำคัญทุกๆประการเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์และหล่อนบอกข้าพเจ้าว่า ในระหว่างหลอนเขียนทีวประวัติของโอเว่นดียังหลอนสัมภาษณ์บุคคลผู้หนึ่งซึ่งทำงานร่วมกับมิสเตอร์ยังในห้องทำงานห้องเดียวกันมาตลอดเวลาสามปีท่านผู้นี้แจ้งว่าตลอดเวลาดังกล่าวแล้วเขายังไม่เคยได้ยินโอเว่นดียังออกคำสั่งตรงไปตรงมาแก่ผู้ใดมิสเตอร์ยังมักจะใช้วิธีขอความเห็นไม่ใช่ออกคำสั่งและไม่เคยพูดทำนี่หรือทำนั่นหรืออย่าทำนี่หรืออย่าทำนั่นเขาจะพูด ท่านลองพิจารณาดูสิหรือท่านคิดว่าทำอย่างนี้จะดีไหมเขามักจะพูดบ่อยๆหลังจากบอกคำบอกให้เจ้าหน้าที่จดชวะเลขจดหมายท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเมื่อได้อ่านจดหมายซึ่งแต่งโดยผู้ช่วยของเขาคนหนึ่งคนใดเขาจะพูด ถ้าแต่งอย่างนี้มันอาจจะดีขึ้นบ้างก็เป็นได้เขามักจะให้โอกาสแก่ผู้ร่วมงานของเขาพินิจพิจารณางานด้วยตนเองเขาไม่ยอมออกคำสั่งให้คนเหล่านั้นทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ปล่อยให้ทำด้วยการศึกษาจากความผิดนานาประการเอาเอง เทคนิคนี้ช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับความสะดวกในการแก้ไขความผิดพลาดของตนเทคนิคนี้เป็นการให้เกียรติแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกเป็นคนสำคัญผลก็คือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะทำงานด้วยความปรารถนาร่วมมือแทนจะเอาใจออกห่าง